บ <Book> <20. S 3> ุ๊กทูยี่สิบวะการสนทนาหนึ่ง small talk i ทำตัวตามสบายครับ <Slow down. S 2> ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ Om om, คุณอยากดื่มอะไรครับว่ากดื่มอะไรคุณชอบดนตรีไหมครับคุณชอบดนตรีไหมครับคุชอบดนตรีคลาสสิกครับฉชอบฟังเพลงคลาส s ิกนี่คือซนี่คือซีดีของผมครับนี mine ่คือซีดีของผมครับ คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ i ป l ลด d ยต์อ i น s t r u m e n t นี่คือกีตาร์ของผมครับ r r, คุณชอบร้องเพลงไหมครับ Can you that, sir? คุณมีลูกไหมครับ How <to> burn? คุณมีสุนัขไหมครับ Are you in, คุณมีแมวไหมครับคุณมีแมวไหมครับนี่คือหนังสือของผมผมกำลังอ่านนังสือเล่มนี้ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ yeah, คุณชอบอ่านอะไรครับคุณชอบอ่านอะไรครับ คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับ Can you live at go to concert? คุณชอบไปดูละครไหมครับ Can you live at go to theater? คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับ Can you live at go to opera? กรุณาไปที่ www. b o o k t